ส, นนสองส 2... มวันที่ผ่านมาพวกเราคงจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการปฏิบัติธรรมที่นี่อย่างเต็มที่พวกเราหลายคนในที่นี้เชื่อว่าเคยไปปฏิบัติธรรมในป่าในชนบททํากลางธรรมชาติหลายคนก็

ได้เคยไปปฏิบัติธรรมที่ัป่าสุกโตก็คงจะสังเกตถึงความแตกต่างของบรรยากาศขณะที่ปฏิบัติที่นี่นะกับที่เราเคยปฏิบัติในป่าเรามาปฏิบัติธรรมกันในเมืองอาจจะมีความสะดวกสบายหลายอย่างมาแมลงก็ไม่ค่อยรบกวนมากบางครั้งก็

อยู่ในห้องที่ปรับอากาศแต่ว่าความสงบก็คงจะแตกตา่างอยู่ที่นี่แม้จะอยู่ตนะิดชิดกับสวนแต่ว่าถ้าเราเดินออกไปไม่เท่าไหร่นะก็เจอถนนเจอรถนะรอบๆก็เป็นตึกสูงใหญ่เดินออกไปอีกนิดก็

เจอความรุกล้ำจอดแจการปฏิบัติทําในเมืองแม้จะเป็นที่ที่เราคุ้นเคยหลายคนก็เกิดในเมืองแต่ว่ามันคงไม่ใช่เรื่องง่ายส่วนนี้ก็เพราะความคุ้นเคยนี่แหละนะเพราะความคุ้นเคยเนี่ยมันทําให้เกิดเป็นนิสัยนิสัยที่จะ

คล้อยตามสิ่งแวดลอ้อมที่มาเชิญชวนนะให้เราหลงให้เราเพลิดเพลินหรือว่านิสัยที่ชอบตอบโต้กับสิ่งที่มากระทบโดยเพราะนะความไม่พอใจเมื่อมีสิ่งที่มากระทบทางตาบ้างทางหูบ้าง

สภาพการร้อนแบบนี้เนี่ยนะมันทำให้การปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายทีเดียวนะมันมีสายสิ่งหลายอย่างที่พอเราเห็นด้วยตาได้ยินทางหูใจเราก็จะแัะไปยังที่ที่เราคุ้นเคยไปยังเหตุการณ์สถานการณ์ที่

เรามักจะปล่อยใ จ, จให้หลงไปแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีสิ่งใหม่ๆนะที่จะมาทําให้เราส่งจิตออกนอกนะมีสิ่งกระตุ้นให้เราอยากรู้อยากเห็ น, นะ อ, ยห น, นอยากหานู่นอยากหานี่แสวงหาสิ่งใหม่ๆไม่จบไม่สิ้น

มีสินค้าตัวใหม่ๆ ม, มีประสบการณ์ใหม่ๆที่เชิญชวนหรือว่าย่ยยวนให้เราเนี่ยเข้าไปหามันไปเสพมันไปครอบครองมันและล่าสุดอย่างนี้นช่วงนี้ก็มีนะที่เป็นปรากฏการณ์ที่แพร่ระบาดในหมู่คนที่อยู่ในเมืองนะก็คือตามหาตัวโปเกมอนนะ

ตอนนี้เป็นกันมากทีเดียวไม่ใช่เฉพาะต่างประเทศเมืองไทยก็เป็นกันเยอะได้ข่าวว่าหลายคนก็ไปตามหาตัวโปเกมอนในสถานปฏิบัติธรรมหลายแห่งทีเดียวแต่ว่าสุกปลาสุกโตยังไม่มีนะยังไม่มีใครมาหาแต่ก็ไม่รู้จะมาหากันเมื่อไหร่ตามหาตัวโปเกมอนกันนะอย่างเรียกวเป็นบ้าเป็นหลังเลยนะนี่ทําไมนึกถึง

เรื่องราวในสมัยพุทธกาลตอนที่พระเจ้าเนี่ยตัสรุ่มใหม่แล้วก็หลังจากที่ออกพรรษานะเราคงทราบว่าพระองค์ก็มุ่งหน้าไปยงังกรุงกบิลพัทเพื่อกลับไปหาพระญาติกลับไปหาอาดีตภรรยากลับไปหา

อดีตไม่ใช่อดีตนะเเป็นลูกนะพระราหุล้วก็อีกหลายอย่างเพื่อไปโปรดระหว่างทางเนี่ยนะก็พวง ก, ก็พักอยู่ในที่ที่เป็นที่รื่นรมเป็นร ม, มมันรมมณีสถานแห่งหนึ่งใกล้ๆ ก, กันนั้นเนี่ยมันก็เป็นสถานที่ที่ลูกเศรษฐีนะลูกขุนนางที่ที่เขาเรียกว่า ม, มานนกนะ

มานพหนุ่มสามสิบคนกำลังสำเริงสำรานกันต่างคนต่างก็หาคู่มาแสงหาความบันเทิงเริงรมก็มีมานพคนหนึ่งไม่มีคู่นะก็ไปชักชวนนางคณิกาคนหนึ่งนะมามาเป็นคู่ของตัวเพื่อได้นะสนุกสนาน

ถ้าคนอนื่นก็มีคู่แต่เราไม่มีคู่อะไรอยู่นะก็ไปหานางกนิการคนนี้มาก็มีช่วงหนึ่งก็มีการสงสนารนนะอาบน้ำในสระก็มีการถอดเสื้อผ้าเครื่องประดับเพชรทองนะเงินเอาไว้นะก็ปรากฏนางกนิการกันนี้ฉวยโอกาสนะกวาด เ, เอาเครื่องประดับนะ

เพชพลอยต่างๆเนี่ยแล้วก็หนีไปมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยพอรู้ <c oughs> ก็ไม่พอใจแล้วก็ออกตามหาก็ตามหาหรือพักใหญ่ไม่เจอก็มีช่วง น, นก็เดินผ่านไปตรงที่พูุทธเจากก้าเนี่ยกำลังประทับประทับนั่งอยู่มนุษย์เหล่านี้ก็ถามพระพุทธเจ้าว่าเห็น

ผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านไปไหมพวกเรากำลังตามหาเขาอยู่ผู้จ้าก็ษฎ์จัดว่าไปตามหาเขาทำไมตามหาตัวเองประเสริฐกว่าผู้ตอนนี้เนี่ยมานกลุ่มนี้ก็สะดุดใจขึ้นมาไม่เคยได้ยินใครพูดแบบนี้ตามหาตัวเองมันแปลว่าอะไร

มันต้องตามหาด้วยเหรอนะก็เลยหยุดแล้วก็มาซักถามสนทนากับพรพุทธเจ้าก็เป็นโอกาสที่พระองค์ได้แสดงธรรมจนทั้งทาให้เขาได้เห็นนะเห็นจิตเห็นใจตัวเองรู้จักตัวเองแล้วก็เลยบรรลุธรรมนะเป็นพระโสดารรบันให้เวลานึกถึงหรือได้ข่าวเรื่องตามหาตัวโปเกมอนอเนี่ยก็นึกถึงนะ

ผิวเจ้าตัดว่าเนี่ยตามหาตัวเองดีกว่าแนละคนที่ตามหาโปเกมอนหายได้เยอะแยะรนะ้อยกว่าตัวแต่ว่าทำตัวเองตกหล่นหายไปนะที่จริงการตามหาตัวเองนี่สำคัญกว่าเยอะเลยนะเพราะว่าถ้ารู้จักหรือตามพบเนี่ยนะมันก็จะช่วยลดทุกข์แก้ทุกข์

หรือว่าไกลจากทุกข์ได้ตามหาและเจออะไรก็ตามไม่ว่าจะเจอผู้หญิงนะอย่างที่มานหนุ่นหนุ่ม30คนนี่พยายามแสวงหาืหอวาตามหาเจอตัวโปเกมอนร5 0ยหตัวครบมันก็ไม่ได้ช่วยทำให้คนทุกข์ได้เลยก็อาจจะมีความดีใจยินดีชั่วคราวแล้วก็ทุกข์ใหม่ที่ตามหาตัวเองเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรนะ

ความหมายเนื้น็คือว่าตามหาใจของตัวเองให้เจอเพราะตัวเองก็มีแค่กายกับใจนั่นแหละที่เหลือก็เป็นสิ่งนอกตัวตามหาใจของตัวเองให้เจอทำไมต้องตามหาใจใจของตัวเองให้เจอเพราใจตัวเองนะใจเราเนี่ยนะมันหลงมันหายไปถูกกิเลสถูกอารมณ์ถูกความคิดต่างๆเนี่ยลักพาไป

หรือว่าถูกขังอยู่ในเวทนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาก็ตามคนเราทุกข์ก็เพราะว่าใจเนี่ยมันหลงมันหายถูกยึดถูกครองนะด้วยความคิดด้วยอารมณ์ที่เป็นอ ก, กุศลโดยมีกิเลสเนนะี่ยเป็นตัวบงการการตามหาใจใเจอคือการที่

มารู้ทันมาเห็นว่าใจตอนนี้เนี่ยนะกำลังถูกกิเลสถูกอารมณ์ถูกความคิดต่างๆนี่เล่นงานหรือว่าหลงพัดเข้าไปนะในหุมอารมณนะ์ในกรงขังแห่งความคิดต่างๆอาลองสังเกตดูนะเมื่อไรก็ตามที่ใจเราเนี่ยมันพัดเข้าไป

ในอารมณ์และความคิดเหล่านี้เนี่ยมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะแม้จะยังมีตามองเห็นหูได้ยินแต่ว่ามันหมดเนื้อหมดตัวลืมเนื้อลืมตัวไปแล้วบางทีก็ไม่ต่างจากคนละมนะเมอคราวนี้เนี่ยการที่เราจะพาใจของเราเนี่ยออกมาจากโครงขังแห่งความคิดหรือรุ่มอารมณ์ได้เนี่ยให้การรู้ทันเนี่ย

การเห็นเนี่ยมันสําคัญมากเพียงแค่เห็นเพียงแค่รู้ทันเนี่ยก็ทําให้อารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันหมดพิษสง ม, มันถ้าเปรียบก็เหมายก่ามันคลายกรงเล็บที่เคยจับเคยเกาะกลุมใจของเราไว้ให้เป็นอิสระนะเพียงแค่เห็นเท่านั้นแหละหรือรู้ทัน

แต่ ห, หรือรู้ทันด้วยอะไรด้วยสติสนะติเนี่ยนะมันมีความสามารถในการที่ทำให้เราเห็นเรารู้ทันอารมณ์ต่างๆได้เป็นเสมือนตาในอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันมีกําลังนะแต่มันมีกําลังก็ต่อเมื่อเราไม่รู้ทันแต่รู้ทันเมื่อไหร่เห็นมันเมื่อไหร่เนี่ยมันหมดทิศสงไปในสมัย

พุทธการเนี่ยก็มีเรื่องราวนะเกี่ยวกับมาร น, นะในพระไตรปิฎกเนี่ยมีมีบทหนึ่งนะชื่อว่ามารสังยุตนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมารที่เข้ามารลังความมารบกวนไม่ใช่เฉพาะพระเถระพระเถรีหรือภิกษุภิกษุณีเท่านั้นนะแม้ก็นั่งพระพุทธเจ้าก็มารังความมารบกวน

มานี่มีพลังมากมีอนุภาพมากบางทีสามารถจะเข้าสิ่งได้แม้กระทั่งเท้ามหาพรหมนะเท้ามหาพรหมนี่ก็เสร็จนะจะอยู่ในอำนาจของมานก็หลายครั้งวิธีของมายคือพยายามที่จะขู่ให้กลัวหรือว่าหลอกให้หลงเพื่อจะได้คลายความเพียร

จะได้ลุ่มหลงอยู่ในกาเมสุขนะเพราะถ้าลุ่มหลงอยู่ในกาเมสุกก็จะยังตกอยู่ในอำนาจของมารต่อไปพระเถวราพระเทะรเทีหลายท่านเนี่ยก็โดนมาเนี่ยเล่นงานลังควาเนี่ยหลายครั้งอย่างเช่นพระรุ่นหนึ่งชื่อพระสมิทธิเนี่ยกําลังทําความเพียรอยู่ดีๆก็เกิดแผ่นดินไหวตกใจกวนตรายก็เลยกลับนะไปยังเชตวัน

โดยที่ไม่รู้ว่านั่นน่ะเป็นฝีมือของมารบางรูป ก, ก็เจอช้างนะเจอเสือนะก็ตื่นตกใจนะหนีเลยนะไม่ละไม่ทำาความเพียร น, นี่พาสเมธีก็เหมือนกันนะพอกลับไปผู้เจ้าทูลผเจ้าถามพาสเมธีก็ทูลตอบไปว่าเนี่ยเจอแผ่นดินไหวกลัวผู้เจ้ารูนะวานี่

เป็นฝีมือของมารก็เลยบอกพระสมิทธิ์ที่แปว่านะถ้าเจอแบบนี้นะให้พูดไปเลยนะว่ามารผู้มีบาปเรารู้จักท่านอเจ้าท่านอย่าคิดว่าเราไม่รู้จักท่านให้พูดอย่างนี้แหละนะพระสมิธิที่ก็เชื่อนะแล้วก็เข้าไปในป่า ก, ก็เจอแผน่นดินไว้อีกเพราะว่ามารมาแกล้งอีกแล้วพระสมิธิที่ก็เลยพูดขึ้นมาเลย

บอกว่ามาเนี่ยพอมันรู้ว่ามีคนรู้ทันนะมันก็เสียใจมันก็เสียหน้าไปเลยแล้วก็ล่าถอยไปอันนี้ก็เป็นวิธีที่ผู้เจ้าใช้นะแม้กระทั่งกับพระองค์เองด้วยนะมีความในพรงเนี่ยสเสด็จขึ้นไปอย่างสวรรค์ถึงชั้นพรมเลยนะแล้วก็ไปอ่

ไปเทศไปว่าไปทักท้วงท่ามหาพรหมมาเนี่ก็สิงท่ามหาพรหมแล้วก็เถียงผู้เจ้าต่อว่าผู้เจ้าพระองค์ก็เลยพูดดักคอเลยนะว่ามาผู้ใจบาปเรารู้จักท่านอย่าคิดว่าเราไม่รู้จักท่านมาเนี่มันกลัวกลัวถูกรู้ทันกลัวคนรู้ทันนะพอ

ผู้เจ้ารู้ทันที้เนี่ยมันมานี่ก็ลาดถอยไปเลยบางทีมันก็เข้าสิงพระโมกพระโมกขาลานะนะสิงเข้าในท้องปวดเลยนะพระโมกคลานีใช้ฤทธิ์ยังไงไม่สําเร็จมาไม่ยอมออกมาสุดท้ายพระโมคคลานะรู้เลยนะโอ้ยมีฝีมือมานก็เลยพูดเหมือนกันนะว่ามานเรารู้จักท่านท่านจะคิดว่าเราไม่รู้จักท่านผู้มานเสียใจายมาก

มารเสียใจเมื่อรู้ว่าพระพุทธเจ้ารู้จักเราพระโมคคัลลนะรู้จักเรานะเท่านี้แหละมารก็ยอมแพ้ฤทธิ์ของมา น, นี่มันหมดไปเลยนะแม้จะมีมากขนาดที่เรื่อเล่นงานรังควานท้ามาหาพรหมไดนะ้แต่ว่าหรือเล่นงานรังควานพระพระโมคคัลลานะได้นะแต่ว่าพอถูกรู้ทันเมื่อไหร่นะ

ยอมเลยอารมณ์อกุศลก็เหมือนกันนะจะว่าไยมันก็ไม่ต่างจากมาร น, นะอาจจะไม่ใช่เป็นเทวปุตตมานมารมีหลายชนิดนะมารที่เรามัสกูด เ, เขาเรียกเป็นเทวปุตตมารมารนะที่อยู่ในสวรรค์นะในสวรรค์นี่ก็มีมาร น, นะแต่ว่านอกจากเทวปุตตมานแล้วก็มีกิเลสมานกิเลสมารเนี่ยนะมันรบกวนรังควานเล่นงานจิตใจเรา

ความงามใจนะหรือว่ากักขังโบยตีจิตใจของเราให้เป็นทุกข์แต่แม้ว่ามันจะมีอนุภาพแค่ไหนเนี่ยจุดอ่อนของมันก็คือมันพ่ายแพ้ต่ออำนาจของการเห็นเห็นด้วยสติถูกเห็นเมื่อไหรถูกรู้ทันเมื่อไหรนี่ยอมเลยนะที่เราสังเกตได้ด้วยตัวเราเองนะ

เวลาจมไปในความคิดหลงก็ไปในอารมณ์เนี่ยพอมีสติเห็นมันเมื่อไหร่นี่หลุดเลยนะกำลังโกรธโกรธอยู่นี่บางทีพอมีคนมาพูดให้เตือนสติเนี่ยนะรู้ตัวหลุดเลยบางคนกำลังบนไวไวไว่นววยวายตีโทีิพายมีคนมาจับแขนได้สติและสตินี่แหละเนี่ยช่วยทาให

ไอ้ความทุกข์ความโกรธความแค้นเนี่ยนะมันหลุดไปเลยมันหลุดเพราะถูกเห็นถูกรู้ทันนะแลอะไรที่ทำให้เห็นอะไร ท, ทาให้รู้ทันก็คือสตนะิบางคนจะมีสติได้ก็เพราะมีคนมาทักมีคนมาบอกมีคนมาเตือนแต่ว่าแบบนี้เนี่ย

นะอาจจะพลังพลาดได้เพราะถ้าไม่มีคนเตือนเมื่อไหไม่มีคนมาทักเมื่อไหก็จมอยู่ในอารมณ์จมอยู่ในความคิดตกเป็นท่าของกิเลสเราต้องมีสติของเราเองนะจะไปพึ่งจมูกคนอื่นหายใจนะต้องพึ่งตนเองและการพึ่งตนเองคือาการที่เรานะมีสติเพื่อทำให้เรามีความสามารถในการที่จะเห็นและรู้ทันได้อย่างรวดเร็ว

อย่างที่บอกไว้แล้วอารมณ์เหล่านี้เนี่ยความโกรธความเศร้าความท้อแท้หรือความคิดเนี่ยพอมันถูกเห็นเมื่อไหร่เนี่ยมันมันยอมเลยมันหลบลี้หนีหน้าหายไปนะเหมือนกับมารนะที่โดนทับโดงตักคอสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือความสงบนะใจสงบใจเป็นปกติใจโปร่งใจเบานะเพราะว่า

เห็นการเห็นเนี่ยมันทําให้ใจเนี่ยไม่เข้าไปเป็นหลวงพ่อเข็นน่นพูดบ่อยนะเห็นอย่าเข้าไปเป็นครับหลวงพ่อนี่พูดนะเวลาพูดว่าเห็นเนี่ยคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าหมายความว่ายังไงนะท่านก็เลยเสริมหรือย้ําด้วยคำว่าไม่เป็นหรือว่าอย่าเข้าไปเป็น <S <S 1> <S 1> เพื่อให้เข้าใจชัดว่าเห็นเนี่ยนะเมื่อไรก็ตามที่เป็นเข้าไปแล้วเนี่ยแซงไม่เห็นแล้ะ

เป็นผู้ทุกข์เป็นผู้โกรธเป็นผู้หงุดหงิดเนี่ยอธิษฐานว่าไม่เห็นล้มันเป็นตัวบ่งชี้นะที่ถ้าเห็นเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ไม่เข้าไปเป็นก็ทำให้ใจเป็นอิสระไม่ใช่อิสระที่จะทำตามนำนากิเลสนะจะเป็นอิสระที่หลุดจากอันาจกิเลสต่างหาใจก็เป็นปกติโปร่งร่วงเบาในภาวะนั้นเนี่ยนะมันเป็นภาวะที่

บางทีเราก็เรียกว่าเป็นความรู้สึกตัวสติเนี่ยมันความหมายนึงก็คือดึงจิตออกจากอารมณ์และเป็นเครื่องผูกจิตให้เข้าเป็นเครื่องผูกจิตให้อยู่กับตัวลังครัเราก็ใช้สติเนี่ยเพื่อผูกจิตไว้กับงานการทําให้เราทํางานอย่างมีสติเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยใจมันวอกแวกเราก็

เอาสติเนี่ยผูกจิตไว้กับการอ่านเพื่อที่เราจะได้อ่านอย่างมีสมาธิแล้วเราล้างจานนะซักผ้าจานเป็นรอยเราก็ใช้สตินี่แหละผูกจิตไว้กับการงานซักผ้าล้างจานเราก็มีสติเราก็ไม่ไม่เกิดความวิตกกังวลไม่เกิดความหงุดหงิดแล้วเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ย

จะเอาลมหายใจนะเป็นอารมณ์ของการปฏิบัติอารมณ์ในที่หมายถึงว่าสิ่งที่จิตสนใจหรือว่าปฏิบัติอย่างที่เราทำสองํามวันก็คือให้มีการมีการเคลื่อนไหวสร้างจังหวะหรือว่าเดินจงกรมแต่ก็จะเพราะว่าจิตก็จะหลุดออกไปอยู่เรื่อยนะเพราะว่ามีสิ่งเยา้ายวนเชิญชวนมากมายรวมทั้งมันมีหลุมอารมณ์ต่าง

ที่มันซ่อนอยู่ในความทรงจำเกี่ยวกับอดีตนึกถึงอดีตเมื่อไรตกเข้าไปในหลุมอารมณ์เกิดความโกรธเพราะถูกดา่าเกิดความเจ็บปวดเพราะว่าสูญเสียนะเกิดความพัดเศร้าโศกเพราะว่าประสบความพัดพราดรู้สึกผิดเพราะได้ทำ

ความไม่ดีบางอย่างกับบุปการีเนี่ยพวกนี้หลุมอารมณ์ที่มันมันซ่อนอยู่ในความทรงจําของเราไปนึกถึงอดีตเมื่อหล่ก็เสร็จนะแล้วก็ออกไม่ได้นะลืมเนื้อลืมตัวแต่พอมีสติปุ๊บนี่นะมันรู้ตัวหรือถ้าเกิดว่าก่อนที่จิตมันจะหลงเข้าไปในหลุมอารมณ์เนี่ยก็เอาสติเนี่ยมามาใช้เพื่อผูกจิตไว้นะ

กับกายกับการเคลื่อนไหวกับการสร้างจังหวะการเดินจงกรมนะถ้าไม่มีสติแนละใจมันก็เตลดเิดเปิดเบิงยกมือก็ยกมือฟรีฟรนะีเดินก็เดินฟรีฟรีก็ดีมันก็ไม่ฟรีที่เดิมมันก็เป็นการออกกาลังกายไปด้วยไม่เสียประโยชน์นะแต่ว่ามันได้ประโยชน์แค่กายส่วนใจอาจจะเกิดความทุกข์นะหมดเนื้อหมดตัวสติที่มันช่วยผูกจิตเอาไว้กับอารมณ์

นะผูกจิตไว้กับกายผูกจิตไว้กับสิ่งที่เรากำลังกระทำอยู่ซึ่งเลยทาให้เกิดสมาธนะิแล้วสมาธิก็ตามมาด้วยความสงบแต่แล้วก็ตามเนี่ยนะความสงบมันไม่ใช่เป็นเป็นสิ่งที่หลอมมุ่งหวังสูงสุดนะเพราะความสงบแบบนี้มันก็จะเป็นความสงบชั่วคราวสิ่งที่เราควรมมุ่งหวังคือความสว่างสว่างในที่นี้คือการ

มีปัญญาเห็นธรรมนะถ้าสงบแต่ว่าไม่มีปัญญารองรับเนี่ยมันก็สงบชั่วคราวนะเจอความสูญเสียพัดพรากก็พุ่งพราดว้าวุ่นใหม่เจอความสูญเสียก็ทุกข์ใหม่ถูกด่าก็โกรธใหมนะ่แต่ถ้าเกิดว่าเรามีปัญญาเนี่ยนะ

คือความเข้าใจเห็นสัจธรรมเนี่ยมันก็จะเป็นความสงบที่ถาวรนะเพราะว่ามีอะไรมากระทบจิตก็ยังเป็นปกติได้อั น, นี้ความสว่างของใจเนี่ยมันจะมาจากไหนนะมันก็ไม่ได้เกิดจากอะไรเลยมันก็เกิดจากการเห็นนั่นเองนะเห็นกายเห็นใจทีแรกเนี่ยนะพอ

พอมีสติเห็นกายเห็นใจนะรู้กายรู้ใจเนี่ยใจมันก็สงบเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นแต่ต่อไปนี่ถ้าเราเห็นนะเห็นนะมันจะไม่ใช่เห็นว่าโอ้ตอนนี้กายเคลื่อนไหวตอนนี้กาลังเดินมันไม่ใช่เพียงแค่เห็นว่าโอ้ตอนนี้จิตเราฟุ้งซ่านนะมีความโลภมีความโกรธความเกลียด

มันไม่ใช่เห็นแค่ความโกรธความเกลียดที่กำลังครอบงำใจและสามารถจะทำให้จิตกลับมาเป็นปกติได้เท่านั้นนะแต่เมื่อเห็นบ่อยๆให้บ่อยเนี่ยมันจะเห็นความจริงที่กายและใจหรือว่าอารมณ์ต่างๆคืออาการของกายและใจเนี่ยมันแสดงมานไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามมันไม่ใช่เห็นสัจธรรมจากการที่เรา

ได้ฟังธรรมอันนั้นก็ทำได้เหมือนกันนะแต่สำหรับพวกเราแล้วเนี่ยนะการเห็นสัจธรรมจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากการที่เราได้นะมีสติดนะูรู้กายและใจจนเห็นความจริงของกายและใจมีสติดูอาการที่เกิดกับกายและใจอาการที่เกิดกับกายก็อาจเช่นความปวดความเมื่อยอาการที่เกิดกับใจก็

รวมถึงความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านความวิตกกังวลความโกรธไอ้พวกนี้นี่มันไม่ใช่แย่ไปหมดนะแม้มันจะเป็นอารมณ์อกุศลแต่ว่ามันก็มีประโยชน์คือมันทำให้เราเห็นสัจธรรมได้หลวงพว่อมเขียนเคยพูดว่าแม้ถูกด่าก็ยังเห็นสัจธรรมได้

ไม่ใช่ว่าจะเห็นสัจธรรมเฉพาะเมื่อเวลาจิตเราสงบเป็นหนึ่งเดียวเอกคตานแต่แม้กระทั่งในเวลาที่อารมณ์อกุศลรนรี้เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราเห็นมันนะมันก็สามารถจะกลายเป็นธรรมะที่เติมปัญญาให้กับเราได้

อารมณ์เหล่านี้เนี่ยอย่างที่บอกไว้แล้วตอนแรกว่าเมื่อมาถูกเห็นเนี่ยมันจะคลายพิษสงไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเกลียดความเศร้าเนี่ยพอถูกเห็นเมื่อไรเนี่ยมันหมดพิษสงแต่ยิ่งกว่านั้นเนี่ยเมื่อมาถึงขั้นระดับหนึ่งเนี่ยถูกเห็นเมื่อไรเนี่ยมันจะกลายเป็นสัจธรรมมันถูกเห็นเมื่อไรเนี่ยมันจะกลายเป็นสัจธรรมการเห็นเนี่ย

ไม่เพียงแต่มีอำนาจในการที่ทําให้มันหมดพิษสงเท่านั้นแต่ยังสามารถจะทําให้มันกลายเป็นสัจธรรมได้ไอ้ความโกรธความเกลียดผู้นี้นะความน้กึดตัวแต่ถ้าไม่เห็นเมื่อไหร่นะก็ไปเป็นนะโอ้ยมันมันกลายเป็นจะเรียกว่าอะไรอบา ย, ยมุกเลยก็ได้ในความหมายที่ว่าเป็นประตูสู่อบายมุกเนี่ยนะก็คือช่องทางหรือประตู

ถ้ามีอารมณ์เาี่เกิดขึ้นแล้วเข้าไปเป็นนะก็คือเหมือนกับพระตกนรกเลยแต่ถ้าเห็นมันนะมันจะถูกเปลี่ยนกลายเป็นสัจธรรมมันแสดงทาให้เราเห็นทันทีเมื่อเราเห็นมันไม่เข้าไปเป็นเห็นอย่างแรกคือเห็นว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เรา

แต่ก่อนเกิดขึ้นทีไรกูโกรธนะถ้าความโกรธเกิดขึ้นนะถ้าความเศร้าเกิดขึ้นก็กูเศร้าความดีใจเกิดขึ้นก็กูดีใจไอ้กูดีใจมันไม่เท่าไหร่นะแต่พอกูโกรธกูเศร้านี่มันนรกเลยถ้าไม่เห็นมันนะมันเข้าไปเป็นแต่พอเห็นมันอ่ามันจะเปลี่ยนเป็นศัจธรรมมันกําลังบอกเราว่าเอารม่อเหล่านี้เนี่ยนะ

ไม่ใช่เราความโกรก็เป็นศักว่าความโกรธไม่ใช่เราโกรธเวลาเดินก็เหมือนกันนะถ้าหาว่าการเดินเนี่ยนะมันถูกเห็นขึ้นมาเนี่ยมันก็จ ะ, สะแสดงทำให้เราเห็นว่าไม่ใช่เรามันเป็นแค่กายที่เดินนะเราไม่ต้องไปแสวงหาศัจธรรมที่ไหนนะหาศัจธรรมจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วกับกายกับใจ

เดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามรวมทั้งความปวดความเมื่อยด้วยถ้าความปวดความเมื่อยเราไม่เห็นมันมันก็เล่นงานกายและใจไม่ใช่กายปวดเท่านั้นมันกูปวดด้วยกูเมื่อยด้วยแต่พอมันถูกเห็นนะมันก็แสดงธรรมให้เราเห็นว่าอ๋อมันไม่ใช่เราปวดไม่ใช่เราเมื่อยนะ

ทีแรกเห็นว่าโอ้มเป็นกายปวดกายเมือ่อยแต่ต่อไปก็เห็นว่าความปวดความเมื่อยมันเกิดกับกายมันเกิดกับใจมันไม่ใช่กายไม่ใช่ใจที่ซ้ํำนะแต่มันอาศัยกายเกิดนะก็เหมือนกับไฟนะไฟถ้าเราขัดสีมันนานๆมันก็เกิดไฟเอาไม้มาขัดสีนะแต่ไม่ได้แปลว่าไม้ไม่ได้แปลว่าไฟมันอยู่ในเนื้อไม้มันเพียงแค่อาศัยไม้ไปที่เกิดไฟกับไม้เนี่ยคนละอัน

คนละอันมันไม่ใช่อันเดียวกันไฟไม่ได้อยู่ในเนื้อไม้ไม่ๆเวลาเจ็บเวลาปวดแล้วก็กูปวดกูปวดอ่พอมีสติเห็นไม่ใช่กูปวดแล้วมันเป็นกายปวดตอนหลังมันเห็นความจริงมากกว่านัเห็นว่าความปวดก็อันหนึ่งกายก็อันหนึ่งปวดก็อันนึ่งขาก็อันหนึ่งนะมันคนละอันกันอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าแยกขันนะ

แต่ก่อนแยกรูปแยกนามก่อนนะก็คือตอนแต่ก่อนเวลาทำอะไรเนี่ยก็กูทํากูทามันมีแต่เราเป็นผู้ทํามีแต่เราเป็นผู้คิดมีแต่เราทั้งนั้นหรือมีแต่ตัวฉันทั้งนั้นเนี่ยแต่พอทําอะไรก็ตามด้วยสติมีอะไรเกิดขึ้นก็มีสติรู้ทันเนี่ยมันก็จะมองทะลุเลยทะลุตัวฉัน

ไปเห็นกายกับใจว่าเป็นผู้กระทําไม่ใช่ฉันทํากายมันเดินไม่ใช่ฉันเดินใจมันคิดไม่ใช่ฉันคิดนะกายมันปวดไม่ใช่กูปวดนะแต่ต่อไปก็จะเห็นละเอียดไปกว่า น, นั้นอีกนะที่แรกมันสลายตัวฉันเหลือหรือเห็นแค่รูป ก, กับนามกายกับใจตอนหมันเห็นละเอียดแล้วกานี้เห็นว่าเวทนากับกายก็คนละอัน

เวทนากับรูปก็คนละอันไอความเศร้ากับใจก็เป็นคนละอันอันนี้เรียกว่าแยกขันอันนี้คือการเห็นความจริงคือเห็นสัจธรรมถามว่าเห็นจากอะไรนะก็เห็นจากไอความโศกความเศร้าความโกรธความปวดที่มันเกิดกับนแล้วนั่นแหละแต่ก่อนเราไม่รู้ทันมันก็เลยเล่นงานเราเราก็เลยหมดเนื้อหมดตัวขาดทุนนะ

การที่จะป่วยแต่กายก็ป่วยใจด้วยแต่พอเราเห็นนะอันที่แรกเราก็เออป่วยกายใจไม่ปวดกายเมื่อยขาเมื่อยใจไม่เมื่อยใจมันสงบได้แล้วปวดก็ปวดไปใจสงบแต่ต่อไปมันไม่ใช่แค่ใจสงบมันสว่างคือใจเกิดปัญญาโอ้เห็นเลยอันนี้ไม่ใช่เรานี่มันเป็นมันเป็นรูปกับนามต่อไปเราก็จะเห็น

มากขึ้นไปกันน้นอีกนะคือเห็นใจรักนะไม่ได้เห็นจากไหนไม่ได้รู้จากไหนก็รู้จักไออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นรู้จักเวทนาที่มันเกิดขึ้นนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นกับกายและใจของเราหรือเกิดขึ้นกับเราเนี่ยอย่าไปเป็นทุกข์กับมันนะอย่าไปบน่นอย่าไปวอายตีโพยตีปลาถ้าทํางั้นก็แสดงว่าเราเซ็จมันแล้วต้อนรับมัน

เพราะว่ามันกําลังจะมาสแสดงเขาให้เราเห็นอารมณ์อกุศลหรืออกุศลธรรมเนี่ยนะมันมันทำให้เราทุกข์ก็จริงนะแต่ว่ามันก็สามารถจะเป็นครูสอนสัจธรรมได้หรือว่าอค์เกศ น, นั้นสอนว่านักปฏิบัติธรรมนักภาวนานเนี่ยต้องเปลี่ยนเราให้กลายเป็นดีเราต้องรู้จักเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นธรรมเปลี่ยนอกุศลให้เป็นธรรม

ให้เป็นสัจธรรมให้ได้ถ้าเปลี่ยนได้ยังไงนะก็เปลี่ยนด้วยการที่เห็นมันอย่างที่บอกไว้แล้วพอมันถูกเห็นเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเปลี่ยนกลายเป็นสัจธรรมขึ้นมาทันทีอาการที่เกิดกับกายและใจทุกอย่างไม่ว่าเบิกหรือลบถ้ามันถูกเห็นเมื่อไหร่มันเปลี่ยนไปเลยนะมันเปลี่ยนเป็นสัจธรรมแต่ตราใดที่ยังไม่ถูกเห็นถูกรู้นะ

มันก็อาจจะกลายเป็นมารอาจจะกลายเป็นตัวทุกข์อาจจะเป็นกายเป็นตัวรังควานเป็นมารนะที่เล่นงานจิตใจเป็นตัวที่ชุดให้ใจเรากายเราลงนรกไปเลยก็ว่าได้คนไม่ชอบเพราะเหตุ น, นี้ไงไม่ชอบเพราะมันทำให้เราเหมือนกับตกนรกแต่นั่นเป็นเพราะว่าเราเกี่ยวข้งของกับมันไม่ถูกถ้าเราเกี่ยวข้องมันเป็นเนี่ยมันจะกลายเป็นของดี

หรือถ้าเรารู้จักเปลี่ยนมันนะเปลี่ยนความโกรธความเกลียดความเศร้าความฟุ้งซ่านให้เป็นสัจธรรมเปลี่ยนได้ด้วยการมีสติเห็นมันนี่คืออนุภาคของการเห็นนะที่มันไม่เพียงแต่ว่าถอนพิษสงหรือทำให้มันบทพิษสงลงไปเนี่ยแต่ยังทำให้มันกลายเป็นของดีด้วย

ของดีคือทำให้มันเป็นสัจธรรมเพราะฉั้นการเห็นนี่สำคัญมากนะอย่าอย่าอย่าย่อท้อนะแต่ควยปลูกฉันทะนะมีฉันทะในการเห็นมันนะไม่เหนื่อยไม่นายหนังสือของหลวงพ่อที่จะเปิดตัววันนี้ก็เล่มหนึ่งก็ชื่อสนุกรู้สนุกเห็นนะตั้งชื่อไวด้ดีหลวงพ่อนิ่นเคย

พูดว่าสนุกป่วยป่วยก็สนุกมีหนังสือเรื่องสนุกป่วยมาแล้วก็ยังไม่พอต้องถ้ามีสนุกรู้สูงเห็นด้วยก็ยิ่งเป็นกําลังใจเป็นแนวทางให้เราได้ปฏิบัติจริง mm hmm. ถ้าการรู้การเห็ น, นมันไม่ต้องมันไม่ต้องทำอะไรที่แยกจากชีวิตของเรานะไม่ได้ไม่ได้ไปต้องแยกตัวออกมาอยู่ที่นี่หรือว่าไปป่าเรากลับไปบ้านเราเข้าเมือง

เราก็ยังสามารถจะปลูกฉันท่าให้เกิดความสนุกรู้สนุกเห็นหรือว่ายังสามารถจะเห็นากายและใจยอย่างต่อเนื่องได้วันวันหนึ่งเราก็ทําอยู่แค่สองอย่างหรือว่ามีอยู่สองอย่างเกิดขึ้นกับเราในแต่ละวันอันแรกคือเรามีการทํากิจนะเวลาทํากิจเนี่ยนะ

เริ่มมาตื่นเช้าขึ้นมาเลาเก็บที่นอนล้างหน้าแปรงฟันเข้าห้องน้ําอาบน้ํานี่ก็เรียกว่าทํากิจนะมันไม่ใช่การงานแต่เป็นการทํากิจกิจส่วนตัวหลังจากนั้นก็ปรุงอาหารนี่ก็ทํากิจทํางานก็ทํากิจขับรถก็ทํากิจตั้งแต่เช้าจนเย็นแล้วก็ทํากิจแทบจะตลอดนะเวลาทํากิจเนี่ยมันจะมีกายเคลื่อนไหว

กายเคลื่อนไหวเกือบทุกครั้งเมื่อมีการทากิจก็ให้มีสติเห็นกายนะรู้กายเคลื่อนไหวนะเมื่อทำกิจนะขับรถก็บางทีก็มือจับพวงมาลัยนเะท้าเหยียบเบรคอันนี้ก็มีการเคลื่อนไหวของกายเวลากินข้าวก็

ตักอาหารใส่ปากอันนี้ก็มีการเคลื่อนไหวแม้แต่เวลานั่งห้องน้ําอาจจะอยู่นิ่งๆเราก็อาลองตามลมหายใจหรือแม้กระทั่งคลึงนิ้วไปอันนี้เราทํากิจได้เหมือนกันก็ให้รู ก, กายเคลื่อนไหวเมื่อทํากิจคราวนี้ชีวเราเนี่ยตลอดทั้งวันมันไม่ใช่มีแค่ทํากิจบางทีมันทํากิจที่เป็นเรื่องเจตนาทําตั้งใจทําแต่บางอย่างเราไม่เจตนาแต่เจอคือเจอผัสสะ

รูปกระทบตาเสียงกระทบหูมีเหตุการมอยากเกิดขึ้นนะไม่ได้ตั้งใจเลยแต่ต้องเจอรถติดคนพลุกพล่านได้ยินข่าวร้ายเจอคนที่ไม่ชอบหน้าเจอคำพูดที่ไม่ถูกใจงานไม่สำเร็จเงินหายของหายพวกนี้เนี่ยมันเลแล้วแต่

เรารับรู้ผ่านผัสสะทั้งวันเนี่ยมันมีผัสสะมากระทบกับเราทางตาหูจมูกลิ้กายและใจด้วยอยู่ว่างๆใจก็คิดนึกไปนะผัสสะและ้วแล้วตามมาด้วยอะไรอารมณ์อาจจะเกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมาได้ยินเสียงนกก็นึกถึงเดือนที่แล้วที่ไปเขาใหญ่เนี่ยไปส่องนกดูนกอ่าายแล้วผัสสะมันพาทำปรุงแต่งให้เกิดความคิดแล้ว

หรือเกิดอารมณ์นึกถึงนกดูนกที่เขาใหญ่ก็สบายใจมีความสุขหรือพอนึกถึงเขาใหญ่ก็ชวนไปแลนึกถึงเหตุการณ์ที่ไปทะเลาะ ก, กับเพื่อนเกิดความไม่พอใจแค่ได้ยินเสียงนกเนี่อาจจะทําให้เกิดความพอใจและไม่พอใจดีใจหรือโกรธก็ได้สุดท้ายแต่ว่าความคิดมันจะพาไปไหนเกิดอารมณ์ขึ้นมาไม่เป็นไรมันเกิดก็เกิดไปก็ให้รู้ใจคิดนึกก็พอ

รู้ใจคิดนึกเมื่อเกิดผัสสะถ้าทำสองอย่างแค่นี้นะก็คือปฏิบัติธรรมทั้งวันแนละ้วรู้กายเคลื่อนไหวเมื่อทำกิจเห็นใจคิดนึกเมื่อเกิดผัสสะถ้าทำสองอย่างเนี้ยนะปฏิบัติธรรมทั้งวันลนะแม้จะอยู่ที่บ้านแม้จะอยู่ที่ทำงานแม้จะอยู่ในเมืองนะแล้วมันก็ไม่ได้ใช้เวลาเลยเลย

อยบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาเพราะว่าไอ้รู้กายเคลื่อนไหวเมื่อทํากิจรู้จิคิดนึงเนี่ยนะเมื่อเกิดผสานมันไม่ต้องใช้เวลามันไม่ต้องแยกตัวมานั่งหลับตาตามลมหายใจหรื อ, อยกมือสร้างจังหวะอย่างที่เร า, าปรีตัวมาที่นี่สองสามวันที่ผ่านมากลับไปบ้านกลับไปที่ทํางานนะเราก็ปฏิบัติทําได้นะรู้กายเคลื่อนไหวนะ

เมื่อทํากิจเห็นใจคิดนึกมือเกิดผัดสั่แล้วนะความสงบก็จะเกิดขึ้นแล้วทาไปนานๆนนความสว่างก็จะปรากฏนะมันจะเห็นสัจธรรมไอนะ้จากอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาในใจขอเพียงแต่เราต้องรู้จักเปลี่ยนร่างกายเป็นดีนะซึ่งก็เปลี่ยนด้วยการเห็นนั่นแหละเพราะมันถูกเห็นเมื่อไหร่มันก็จะกลายเป็นสัจธรรมแสดงแกเราทันที

นะต้องขยันเปลี่ยนนะขยันเปลี่ยนทุกให้เป็นธรรมเปลี่ยนอารมณ์อกุศลให้เป็นสัจธรรมให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่หลวงพ่อพยอมวัเนี้เมื่อแม่ถูกด่าก็ยังเห็นสัจธรรมเนี่ยมันมันจริงนะและเราทดลองดูก็ได้เพียงแต่ว่ามันต้องมีสตินะถูกดาก่าไม่มีสติก็ลงนรกเลยแต่ถ้าถูกด่าแล้วมีสติมันก็เห็นสัจธรรมไม่ไมาจะเห็นสัจธรรมเรื่องโล ก, กธรรมก็ได้ว่าเออสารเสริญกับดินทาเป็นของคู่กันนะ

นั่นคือเข้าใจเรื่องโลกธรรมแปแต่ต่อไปมันจะเห็นสศรธรรมเรื่องรูปนามเห็นสศรธรรมเรื่องไต่ลักได้โลกธรรมมันเป็นเรื่องภายนอกแต่รูปนนะามแล้วไต่ลักนี่มันมันเกี่ยวกับเราโดยตรงหรือมันเป็นเรื่องของเรายีดใกล้เข้าไปอีกนะแต่แล้วก็ตามเนี่ยมันก็จําเป็นนะที่เราต้องออมีเวลาฝึกตัวมาบ้างถึงแม้ว่าอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํา ง, งานก็ปฏิบัติธรรมได้ฝึกรู้ฝึกเห็นได้แต่ว่า

ก็จาเป็นที่ต้องปีกนะอย่างที่เรามาทำในสองชวันที่ผ่านมาอยู่ในสถานที่แบบนี้กรุงเทพมันว้าวุ่นยังไงเนี่ยมันก็ยังดีที่ยังมีสถานที่แบบนี้มีสุมีสวนสาธารณะที่สงบร่มรื่นที่เราก็ต้องมีแบบนี้บ้างนะก็คือว่ามันมีมันมีพื้นที่ที่สงบพื้นที่นี่อาจจะไม่ใช่เป็นสถานที่แต่อาจจะเป็นช่วงเวลาก็ได้

มีพื้นที่ในชีวิตของเราที่มันสงบที่ทำให้เราปลีกตัวมาค้นหาตัวเองรู้จักตัวเองเราจะไม่มีบ้านเราจะไม่มีสวนไม่มีที่ที่จะมาหาความสงบรื่นแบบนี้แต่ว่าเราจัดเวลาเพื่อให้ใจของเราเนี่ยมีพื้นที่สาหรับความสงบสำหรับการปฏิบัติ

เวลาห้านาทีสินาทีก็ได้นะพื้นที่ที่วันนี้อาจจะเกิดขึ้นในบ้านของเราจัดเวลาให้เป็นพื้นที่แห่งความสงบแห่งความตื่นรู้ฝึกรู้ฝึกเห็นก็จะได้ปลูกชันทะจนถึงเกิดความสนุกรู้สนุกเห็นนะแล้วพอเราออกจากบ้านพอเราไปทำงานเราก็จะมีมีกลังสติที่จะรักษาใจของเราเหมือนกับร่มนะที่เราออกไปเจอที่โล่งเจอแดด

เราก็ไม่ร้อนแต่มันร้อนแต่ว่าใจเราไม่ร้อนเพราะว่าเรามีร่มร่มนี่มันรักษากายให้เย็นแต่ถ้าถ้ามีธรรมะหรือมีสติเนี่ยมันก็เป็นร่มที่รักษาใจให้สงบได้นะเมื่อเรากลับไปกลับไปบ้านหลังจากวันนี้ก็นะก็ขอให้มันรู้มันเห็นสนุกรู้สนุกเห็นเป็นประจำนะ

แล้วก็พอสมควรแก่ เ, ก เ, ว เ, กเวลาแล้วก็อากภาพพร้อมกัน